14, มาขึ้นพาหิยะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาอ้างมากถือว่าเป็นสูตรที่เป็นข้อปฏิบัติถื อ, อบุคคล น, นี้ศรัทธาสูตรนี้เพราะว่าเขาฟังปั๊บบรรลุเลยนะก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาดูต้นต่อต้นเหตุเดิมว่าพระผู้มีพระภาคแสดงว่ายอย่างไรอัตถะทาอธิบายไว้ยอย่างไรข้อความในพาหิยะสูตร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 เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้บิณฑบาตเสนาสนะและคีิลานปัจจัยเพสัตบริขารนีก็สรุปว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีลาภสักการะมากครั้งนั้นแลพาหิยะทารุจิรยะหลีเกร้นอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหรันต หรือผู้ถึงอรหันตมักในโลกลำดับนั้นเทวดาผู้เป็นสายโลหิตในการก่อนของพาหิยะธารุจิรยะเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์ได้ทราบความปริวิตตกแห่งใจของพาหิยะธารุจิรยะด้วยใจแล้วเข้าไปหาพาหิยะธารุจิริยะครั้นแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนพาหิยะท่านไม่เป็นพระอรหรันต หรือไม่เป็นผู้ถึงอรหัตตมักอย่างแน่นอนท่านไม่มีปฏิปทาเครื่องให้เป็นพระอาหารหันต์หรือเครื่องเป็นผู้ถึงอรหัตตมักพาหิยะธารุจิรยะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอรหัตตมักในโลกกับเทวโลกเทวดาตอบว่าดูก่อนพาหิยะในชนบททางเหนือ มีพระนครชื่อว่าสาวัตถีบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่พระนครนั้นดูก่อนภาหยะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมะเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นแลภาหยะทารุจิริยะผู้อันเทวดานั้นให้สลดใจแล้วหลีบไปจากท่าสุ ป, ปรารกะในทันใดนั้นเอง ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีโดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวงแสดงว่าเดินทางไกลามากนูนนะแถวกราัตานั่นแหละมาะกราัต้านี่ใกล้ใกล้ทะเลหมใกล้ทะเลเนี่ยนะก็เดินทางจากทะเลเนี่ยมาสาวัตถีระยะทางร้อยบโยชน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 มาดูศึกษาประวัติของท่านพาหิยะก่อนนะตามอัตกรถาในหน้า129เขามีคำถามว่าก็พาหิยะเนี่ยคือใครและอย่างไรจึงเป็นผู้ทรงผ้าคากรองทำด้วยไมย้อย่างไรจึงอยู่อาศัยที่ท่าสุ ป, ปรารกะนั่นสามค่ถามนะในข้อนั้นมีอนุปุพพิกาาเรื่องราวโดยลำดับดังต่อไปนี้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 ก็ความที่ทุกทก้าวของพระองค์เนี่ยเหยียบดอกบัวหมดเลยเรื่องเมื่อแสนกลับที่แล้วนะถอยหลังจากกลับนี้ไปกุลบุตรคนหนึ่งกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระทศพลที่เมืองหังสวดีเห็นภะษาสดาทรงสถาปนาแต่งตั้งพิกษุรูปหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งเอตะทัคะคือเลิศกว่าพิสูุทั้งหลายผู้เป็นขีปปาภิญญาเป็นพิสูรผู้เลิศในการตรัสรู้เร็วที่สุดเนี่ยนะ พอได้ฟังอย่างนี้ก็คิดว่าชะไหนนอในอนาคตเราจะบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้แล้วพึงเป็นผู้อันพระศาสดาสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะเช่นนี้เหมือนภิกษุรูปนี้ฟังแล้วก็มีศรัทธานะฟังว่าเขาบรรลุเร็วเหลือเกินปรารถนาที่จะเป็นผู้เลิศในทางบรรลุเร็วก็ได้ปรารถนาตาแหน่งนั้นจึงบาเพ็ญบุญญาที่การอันสมควรแก่ตาแหน่งนั้น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 แสดงว่าชาติที่บวชนี้เจริญกุศลเต็มที่จึงสามด้วยผลแห่งบุญอันนั้นทำให้อยู่ในสวรรค์ได้หนึ่งพุทธันดร อ, นนอยู่ในสวรรค์ได้เป็นหลายพันล้านปีเนี่ยในพุทธบตัตรการนี้ถือปฏิสนธิในเรือนมีสกุลในพาหิรัฐชนทั้งหลายจำเขาได้ว่าพาหิยะเพราะเกิดในพาหิรัตเขาเจริญไวแล้วก็อยู่ครองเรือนเอาเรือบรรทุกสินค้ามากมายเล่นไปยังสมุทร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 พามาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาแปลว่าไม้รักเนี่ยมันมันใช่ได้หรือเปล่าอะไรมันจะคันเท่าไม้รักอีกแล้วหระไม้รักนี่มันไม้คันมากๆเลยนะพระ้าบอกเป็นนุ่งไม้รักมิมอยู่ได้ยังไงอย่างนี้ยังแปลกใจว่าเขาแปลถูกหรือเปล่านี่นะพะ่อน่าจะเอาต้นไม้อย่างอื่นมานุ่งมาหม่มเพราะไม้รักเนี่ยมันคัน บางอาจารย์ก็กล่าวว่าเจาะแผ่นกระดานเปลือกไม้ร้อยทําเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดเอาไว้เออย่างงี้ก็อ ย, อยังชั่วนะท่านก็เลยมีชื่อว่าธารุจิริยะเพราะทรงผาคกรองทําด้วยไม้ชื่อเดิมก็ชื่อพาหิยะใช่ไหม <c oughs> ทารุจิริยะก็คือทรงผ้ากรองทําด้วยไม้อะนะก็แสดงว่าแต่งตัวเหมือนกับชาวเผ่าสักเผ่าหนึ่งะนะ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 พายะนี้อกุศละจิตเกิดขึ้นเลยคิดว่าถ้าเราจักไม่มาโดยทํานองนี้ซสายเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเหล่านี้เพึงไม่เลื่อมสายเรานี่ยนะถ้าเราเอาผ้ามานุ่งมาห่มเนี่ยเขาเลิกเลื่อมสายแน่ฉะนั้นหนอเราเพึงห้ามผ้าเหล่านี้เสียอยู่โดยทํานองนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ลาบสการะก็จะเกิดขึ้นแก่เราเขาคิดอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้หลอกลวงนะก็เป็นมหาโจรอีกชนิดหนึ่ง แกล้งทำตัวไม่รับผ้าอวดสรรพคุณคิดว่าตัวนี่มีดีก็นิกายนุ่งลมห่มฟ้าเนี่ยนะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ได้ยังไม่ได้สูญหายไปจากอินเดียอะไรหรอก น, น, นะก็ยังมีผู้ที่นับถือนุ่งลมห่มฟ้าว่าเป็นพระอารหรอันต์นะแล้วก็นิกายนี้ลัทธินี้ก็ยังได้รับความแพร่หลายในอินเดี ย, ยนะนายกรัฐมนตรีของอินเดียบางคนก็นับถือลัทธิเหล่านี้ด้วย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 มหาชนก็ไปกับท่านเหมือนกันได้ซ่อมแซมเทวสถานนั้นให้ยังนึกในใจแล้วยุงไม่กลับยูยเนาะพระคองมีมุ้งมังท่านก็คิดว่าคนเหล่านี้เลื่อมใสในฐานะเพียงที่เราเนี่ยทรงผ้าคากรองจึงทาพากาันสการะและสำ ม, มานะอย่างนี้เราควรจะมีความประพฤติอย่างสูงสำหรับคนเหล่านี้จึงเป็นผู้มีบริขารเบาๆทาตัวเป็นผู้มักน้อยอยู่จึงก็ ไอ้ที่ทำตัวอยู่อย่างนี้ทุกวันก็เพราะอยากได้มากนั่นแหละก็แกล้งทำตัวเป็นมีน้อยๆคนก็จะได้ให้เยอะๆว่างั้นเมื่อท่านนั้นถูกคนเหล่านั้นยกย่องพากันพูดว่าเป็นพระอรหันต์ก็สำคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์จริงๆนะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรออยู่ไปอยู่มาเอ๊ะใครก็เรียกเราเป็นอริยะหมดนี่แสดงว่าเราเป็นอริยะแน่ อันหนึ่งการทำสการะและทำความเคารพก็เจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นและท่านก็ได้เป็นผู้มีปัจจัยมากมายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าสมัยนั้นแลพระพาหย ะ, ะท่านพาหยะทารุจิริยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุ ป, ปรารกะใกล้ฝั่งสมุทรเป็นผู้อันมหาชนสการะเคารพ สักกโตเนี่ยนะแปลว่าส ก, การะนะก็คือส ก, การะโดยบำรุงด้วยความเคารพคือเอื้อเฟื้อคาุกโตผู้อันมหาชนกระทําให้หนักด้วยการกระทําให้หนักดุดฉัดหินโดยประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษมานิโตความว่าผู้อันมหาชนนับถือด้วยการยกย่องด้วยน้ําใจปูชิโตความว่าผู้อันมหาชนบูชาแล้วด้วยการบูชาด้วยส ก, การะมีดอกไม้และของหอมเป็นต้น อปาปกิโตได้แก่ผู้อันมหาชนยําเกรงแล้วด้วยการให้หนทางและการนําอาสนะเป็นต้นด้วยใจเลื่อมสายยิ่งเป็นผู้ได้ด้วยการได้ปัจจัยสี่มีจีวรที่แสนจับประณีตที่มหาชนนําเข้าไปยิ่งยิ่งสรุปก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีลาบสการะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หมดเลยคือตอนแรกๆ ก, ก็ทําเป็นไม่รับก่อนใช่ไหมตอนหลัง เมื่อไม่รับเขาก็มากล่าวอ้อนวอนก็เลยก็อะไรนะทาเป็นสงข์สงสารเขาสงเคราะห์เขาก็เลยรับเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้วันหนึ่งท่านก็ไปอยู่ในที่รับเงียบๆคนเดียวเมื่อถูกพวกมนุษย์เป็นอันมากกล่าวว่าท่านเป็นพระอารหรันคนนั้นก็มาว่าอารหรันคนนี้ก็ว่าพระอารหรันจริงนะคนอินเดียเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยเห็นพระภิกษุเดินเนี่ยอย่างในบางแห่งเนี่ยใน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 โดยอาการที่อยู่ในกล่าวในบัตรนี้เกิดความคิดว่าอย่างไรเกิดความคิดขึ้นว่าคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคในโลกเราเป็นคนหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคนั้นอธิบายว่าชนเหล่าใดชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะกาจัดข่าศึกคือกิเลสในสัตว์โลกนี้และเป็นผู้ควรแก่บูชาสการะเป็นต้น คือคำว่าอรหันนี้โดยสัพแปลว่ากำจัดค่าศึกคือกิเลสอย่างหนึ่งควรแกเครื่องสักการะนี่อย่างหนึ่งแสดงว่าเรานี่เป็นแน่เพราะอะไรเพราะเราดูไม่มีกิเลสเลยใช่ไหมไม่ได้คือบางคนนี่กิเลสเกิดจนไม่รู้ว่ามีตัวเองมีกิเลสบางทีแล้วก็คนก็นับถือมากเหลือเกินก็เลยคิดว่าเรานี่แหละผ่าอรหันแล้วล่ะหรือคนเหล่าใดชื่อว่าบัรลุอรหัตตมัตเพราะข่า เพราะข้าข้าสึกคือกิเลสเหล่านั้นบรรดาคนเหล่านั้นเราก็เป็นคนหนึ่งทีนี้เทวดาเดือดร้อนนะคะนี่โปราณสาโลหิตาแสดงว่าคนนี้มีบุญเก่าเยอะอนะเดือดร้อนถึงเทวดาคือเทวดาผู้บำเพ็ญสมณะธรรมร่วมกันเสมือนพวกพ้องร่วมสายโลหิตกันในภพก่อนเทวดาที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยนะรักกันยิ่งกว่าญาติอีก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 เพื่อนร่วมประพฤติสมณะธรรมนี่ก่อนอ น, นะขอให้พระคุณเจ้าผู้เจริญรูปนั้นมีความสุขมีความเจริญอย่าได้มีเวนอย่าได้มีภายขอให้สําเร็จมรรคผลเธออะไรเนี่ยก็เป็นการเจริญเมตตาให้แก่ท่านเหล่านั้นเมื่อเจริญบ่อยๆด้วยอนุภาพแห่งเมตตาที่ได้สั่งสม น, นะมีต่อกันมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นความผูกพันกันนะทัานก็เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตกทุกข์ได้ยากอีกฝ่ายหนึ่งก็จะคิดถึงกันเพื่อที่จะสงเคราะห์กัน ในเรื่องเรื่องเทวดาที่เป็นเพื่อนเก่าเนี่ยนะมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อก่อนศาสนาของพระกสปะทศพลจะเสื่อมเรียกว่าปลายปลายศาสนาภิกษุเจรูปเห็นอาการอันแปลกของสหธรรมิกมีสั ม, มเนยเป็นต้นก็คือเห็นพระภิกษุสั ม, มเณยที่นอกรีธินอกรอยพาการประพฤติผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะไอการที่ท่านทำตัวเลวซามแบบนี้เนี่ยนั่นคือเหตุ ผลถ้าไปอ่านคำภีเปตตวัตถุหรือลักขณะสังยุตหรือวินีตวัตถุของจตุถะปราชิกเกี่ยวกับเรื่องอวดอุตริมนุสษษธรรมจะเห็นว่าผู้ที่ประพฤติเสียหายาพิสุสัมณเนรเป็นต้นที่ประพฤติเสียหายในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้โดยมากก็เป็นเปรตกันอยู่ในคำพีเปตตวัตถุก็มีอยู่ในคาถาธรรมบทเป็นต้นก็มี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 ภูเขานั้นทั้งหมดแล้วก็ผลักบันไดลงทมสมณะธรรมบรรดาภิกษุเหล่านั้นพระสังฆทีระคือพระที่เป็นหัวหน้านะเป็นอาจารย์ของกลุ่มบรรลุพระรหันตโดยล่วงไปแห่งราตรีเดียวเท่านั้นเรียกว่าประหิต ต, ตัดโตสละร่างกายและชีวิตให้จิตเป็นไปกับสมณะธรรมไม่นานคืนเดียวก็เป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าท่านบวชมาเป็น10ิ10ปีแล้วละ่ะ พอท่านเป็นพาาระอรหันต์ท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์ น, นะนำบิณฑบาตมาจากอุตรากุรุทวีปแล้วก็กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดฉันบิณฑบาตจากที่นี้เถิด น, นะเป็นพาาระอรหันต์มีฤทธิ์ใช่ไหมไปบิณฑบาตมาก็มาฝากเพื่อนสัพรมารีภิกษุเหล่านั้นก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านได้ทําอย่างนี้ด้วยอนุภาพของตนแม่ถ้าแม้พวกกระผมจักยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เช่นท่านใส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 แม้ท่านก็ถือเอาบินทบาทเหมือนอย่างนั้นไปยังที่นั้นแล้วนี่มนพิสูจนนอกนี้ให้ฉันฝ่ายพิสูุเหล่านั้นก็ปฏิเสธเหมือนอย่างนั้นไม่ยอมฉันเดี๋ยวผมปฏิบัติให้บรรลุ ก, ก่อนแล้วผมจะเหาะไปเอามาฉันเองลนกะันบรรดาภิสษุเจดรูปนั้นภิสษุรูปแรกที่เป็นพระสังฆทีระบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันปริณิพาน์เนี่ยนะหลังจากสิ้นชีวิตก็ละทิ้งสรีระ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 ถ้าสมัยนี้ก็เป็นพระราชาของอัฟก า, านิสถานะตอนหลังก็ฟังธรรมจากพวก อ, อัยฟังธรรมหรืออ่านสารจดหมายของพระเจ้าพิมพิสารที่ส่งไปก็ปฏิบัติอานาปานาสติจนได้ฌานและก็อุทิศชีวิตแด่พระพุทธเจ้าท่านก็มาตายที่เมืองราชครึกปุกุสาตินะั้นะฟังธาตุวิพังคสูตรบรรลุเป็นพระอนาคามี เป็นเป็นพระเจ้าปุกุตสาติก็ออกบวชมาอีกคนหนึ่งชื่อว่ากุมารากัสปะกุมารากัสปะนี่ก็คือเกิดในท้องขออ่ะคลอดจากท้องของนางภิกษุณีคือมีลูกสาวของหญิงมีตระกูลคนหนึ่งเนี่ยนะ อ, อยากจะบวชมากพ่อแม่ไม่ยอมอนุญาตตอนหลังก็แต่งงานพอแต่งงานนี่ก็อ้อนวอนสามีสามีก็อนุญาตให้บวชซึ่งนางก็ไม่รู้ว่ามีท้องเนี่ยนะพอไม่รู้ว่ามีท้องก็พอบวชไปก็ มีท้องมีครันก็คลอดออกมาพระราชาเอาไปเลี้ยงพระเจ้าประสเสนที่โกศลไปเลี้ยงเนี่ยพออายุโตขึ้นมาก็ให้บวชบวชก็เป็นท่าอรหันในวอมมิกสูตรเนี่ยนะวอมมิกสูตรเป็นสูตรที่พระกุมารกสปะฟังและบรรลุอีกคนหนึ่งเป็นเชื้อสายมารลกษัตว์เนี่ยนะชื่อว่าทัพพระมรบุตรทัพพระมลบุตรคนนี้ก็เป็นสัมมเนินที่บรรลุเป็นพระอรหันตั้งแต่อายุเจดขวบนะ อีกคนหนึ่งชื่อว่าสพิยะปริภาชกเป็นปริภาชกที่เกิดมาเที่ยวสแสวงหาอาจารย์สแสวงหาอาจารย์มากแสวงหาอาจารย์เนี่ยอย่างมากจนได้เจอพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอริยะคนที่ห้าก็คือพาหิยะธารุเจริะคนนี้ในท่านเหล่านั้นเนี่ยนะ พระอนาคามีอ่ะผู้ที่เกิดในพรหมโลกเรียกว่าปุรานาสาโลหิตาเทวตาพระอนาคามีเนี่ยไปถามปัญหาพระกุมารกสปะ15ข้อให้พระกุมารัสปะไปถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปผูกคำถามให้สพิระปริภาชคเนี่ยประมาณ20คําคำถามนะให้ใครไปเที่ยวหาว่าใครตอบคาถาม20คําคำถามนี้ได้ก็ให้บวชประพฤติพรหมจรรย์ในท่านผู้นั้นแล้วก็ไปสงเคราะห์ภายะ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 การที่พวกชนทั้ง7ขึ้นภูเขากระทําสมณะธรรมก็ดีความที่ตนบรรลุอนาคามีผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกก็ดีปรากฏแล้วพอเกิดในพรหมโลกนี่หัวดะลึกได้หมดเลยพรหมนั้นก็รเพึงว่าฝ่ายชนทั้งห้าบังเกิดที่ไหนหนอรู้ว่าชนเหล่านั้นอะ่ะบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรก็เกิดในสวรรค์อยู่ใน6กชั้นชั้นใดชั้นหะนึ่งเนี่ยนะ ครั้งต่อมาตามเวลาอันสมควรก็ตรวจดูประวัติประวัติคือความเป็นไปของชนเหล่านั้นว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันหมายว่าผ่านไปหนึ่งพุทธันดรเนี่ยมานึกถึงเพื่อนเก่านะโอยหลายล้านปีมากมนึกถึงเพื่อนเก่าอีกรอบหนึ่งนะก็รำพึงว่าท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนหนาได้เห็นพาหิยะอาศัยท่าสุ ป, ปรกะนุ่งผ้าคากรองทําด้วยเปลือกไม้เลี้ยงชีพอยู่ด้วยความหลอกลวง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 เป็นไปเพื่อความชีพหายเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิตัวนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความชีพหายเป็นไปเพื่อทุกตลอดกาลนานเพราะจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันแต่สำคัญว่าเป็นพระอรหันเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดยอดของชีวิตหมดแล้วใช่ไหมกิเลสยังเต็มหัวใจเหมือนเดิมแต่นั่งอยู่ในตำแหน่งพระอรหันอะไรจะเกิดขึ้นก็หลอกลวงตัวเองด้วยพาหลอกลวงคนอื่นด้วยสอนรับที่มิจฉาทิฐิไปอบายคนเดียวยังไม่พอ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 ก็ในที่นี้ด้วยบทแรกบทแรกคืออะไรผู้มีปกติอนุเคราะห์ที่บอกว่าการุณาเนี่ยท่านแสดงถึงความที่เทวดานั้นน่ะประสงค์จะบำบัดทุกข์ของพาหิยะเนี่ยนะการุณาเนี่ยประสงค์บำบัดทุกข์นะบทหลังที่บอกว่าเมตตาเนี่ยแสดงถึงการนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้ <c oughs>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 พรมท่านบอกว่าดูก่อนพาหิยะท่านไม่เป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาหารหรตัตตมรรคอย่างแน่นอนอนะบทว่า เ, เนวโคตะวังพาหิยะอรหานี้พรมปฏิเสธว่าพาหิยะไม่ใช่พระอเศคารในการนั้นเวลานั้นนะท่านไม่ได้เป็นพระอเศขาอาเศาคารืออะไรคือผู้ที่อบรมศิกษาสาเร็จแล้ว ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วหมายความว่าศึกษาไตรสิกขาจนสําเร็จเป็นพระอรหันเรียบร้อยแล้วบทว่านาปิอรหัตตมัคคังวาสมาปันโนบอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นพระเส ข, นะขนะขณะนี้ท่านไม่มีสิกขาแม้แต่ข้อเดียวเพราะหลอกลวงนี้จะศีลก็ไม่เป็นใช่ไหมถ้าศีลไม่ได้สมถาวิปัสนาจะมาจากไหนด้วยบททั้งสองแสดงว่าท่านทายะไม่ใช่เป็นพระอริยะบุคคล พรมปฏิเสธว่าพาหยะเป็นเพียงกัลยาณปุตุชนแต่ถ้ายังหลอกลวงนะีไม่ยอมสละมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอันธปุตุชนแล้วก็ยังบอกว่าปฏิปทาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเครื่องให้เป็นพระอาหารหันเนี่ยนะหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดอาหารหัตมรรมพาหยะก็ไม่มีปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นทําให้บรรลุเป็นพระอาหารหันคืออะไรก็คือวิสุทธิหประการ วิสุทธิที่6ก็คือ 1. ศีลวิสุทธิ 2. จิตตาวิสุทธิ 3. ทิฏฐิวิสุทธิ 4. ี่กังขาวิตรณะวิสุทธิ 5. มคามัคคยาณทัศนวิสุทธิ6 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอรหัตมรักนี้เป็นญาณทัศนวิสุทธิคือญาณทัศนวิสุทธิเป็นชื่อของโซดาปฏิมรัคษสกธาคามีมรักอนาคามีมรักและ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 รู้ตัวว่าตัวเองไม่เป็นพ้ารหารนันนี่นึกถึงว่ามีไหมผู้ที่เป็นพ้ารหารันถ้ามีผู้ที่เป็นพ้ารหารันจะขอไปฟังธรรมของท่านจะได้ปฏิบัติตามเพื่อพ้นจากวัตทุกขเนี่ยนะตรงนี้พรมเขาแนะนำว่าอย่างไงพรมตอบว่าดูก่อนพาหิยะในชนบททางเหนือมีพระนครชื่อว่าสาวถี บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่พระนครนั้นดูก่อนพาหิยะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยนอันนี้ก็อธิบายคาว่าอนัตถาคตอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้านี่นะพระองค์เป็นพระอรหันตอรหังอรหังอรหังชื่อว่าพระอรหันตเพราะเป็นผู้ไกล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 ราคะเกิดก็ฆ่าสมถะหมดเลยโมหะเกิดก็ฆ่าวิปัสนาเนี่ยนะฆ่าศีลสมถาวิปัสนาฆ่าสมณธรรมทั้งหลายจะไม่เรียกว่าเป็นฆ่าศึกศัตรูได้อย่างไรพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำลายฆ่าศึกภายในได้หมดสิ้นแล้วจริงอยู่ฆ่าศึกคือกิเลสทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าฆ่าคือถอนแล้วด้วยอรหัน ต, ตมรรคโดยสิ้นเชิงอันหนึ่งชื่อว่าพระอรหันตเพราะกําจัด คื อ, อกําจัดซี่กรรมคือกิเลสเสียไดย้นยนะกําจัดซี่กรรมนะกรรมตัวนั้นคือซี่กรรมหมายถึงสังขารอ่ะนะก็ต้องนึกถึงอะไรนะเคยเห็นล้อกเกวียนเคยเห็นล้อกเกวียนอะ่ะล้อกเกวียนนี่มันจะมีกลงกงก็คือวงรอบนอกซี่กรรมแล้วก็มีเพลามีดุมแล้วก็มีเพลาสอดกลางเนี่ยนะนะคำว่าภารนันี้ก็คือกําจัดไอตัวซี่กรรมอันนั้นได้หมด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 ซึ่งต่างจากพวกเราเนี่ยนะไปวิ่งไปถึงไหนนะ้ะเนี่ยนะรอบโลกอีกกี่รอบเนี่ยนะอันคำว่าพระอาหารเนี่ยแปลว่าทําลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักรอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพระอาหารเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ควรควรอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสมควรแก่ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นน่ยนะก็สมควรแก่ปัจใจซีสมควรแก่การบูชาพิเศษเนี่ยนะบูชาด้วย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 สัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองนะนะไม่มีใครบอกกล่าวแนะนำตรัสรู้โดยไม่มีผู้ตั้งต้นให้นะสามารถไขค ร, ครวญพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติจนสามารถตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองก็อย่ท่านเป็นผู้มีบุญนะนะท่านสั่งสมบุญมามากจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะทรงกาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนด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 พระ อ, องค์ก็ยังบอกเลยว่าอภินยยังอภิญญาตังพาเวตัพันจะพาวิตังประหาตัพังประฮินําเมตสมาพุทธโทสมิบรามณนะทำที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วทำที่ควรเจริญเราเจริญแล้วทำที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้พระ อ, องค์ยืนยันกับเสลพรามนะถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้พระ อ, องค์เป็น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 คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อให้ได้อรหัตผลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไงจึงสมควรแก่การบรรลุอรหัตผลความว่าย่อมอ้างคือแสดงธรรมมีแสดงธรรมคือปฏิปธรรมมีศีลเป็นต้นอันสมควรอันควรแก่คุ ณ, ณพิเศษ น, นะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอาทิกลยานางไพร่ในเบื้องต้นมัชฌิกลยานางไพร่ในท่ามกลางปริโยสานกกลยานางไพร่ในที่สุด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 ตายเมื่ อ, อไรอตายเมื่ อ, อไรตายที่ไหนตายเวลาใดเป็นต้นก็ไม่รู้ก็เลยสังเวทตามคำพูดของเทวดาสลดใจมากเนี่ยนะพาหิยะเนี่ยพอเทวดาแนะนำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เลยทไสลดใจอย่างนี้ก็หลีกจากท่าสุ ป, ปรารกะในทันใดนั่นเองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอ่ะนะ ในหน้า140บอกว่าสุป ป, ร ป, ปารกาป ก, กามิความว่าผู้มีหะไทยอันปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันเกิดขึ้นเพราะได้ยินพระนามว่าพุทโธโอ้ยฟังคำว่าพุทโธเนี่ยดีใจมากเลยปีติมากเลยนะของเราก็เมื่อไรเนาะวันนั้นจะมีบ้างนะวันไหนนะวันนี้เลยนะนะพุทโธก็ปลื้มเลยนะพุทโธนี่ว่างไงนะพุทโธพุทธา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 เห็นพิสูุน์เป็นอันมากฉันพัตนาหารเช้าแล้วจงกลมอยู่ในกลางแจ้งเพื่อปลดเปลื่องความเกียดคร้านทางกายหมายค่ะว่าถ้าหากว่าฉันเสร็จเนี่ยเข้าห้องเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะความง่วงทั้งหลายก็ระดมเข้ามาช้างเนี่ยหล่ทับะลยตัวหนึ่งนะธุระทั้งหลายแหลจงยกไว้เดี๋ยวนะท่านพาหิยะก็เลยเข้าไปถามพระพิสูจน์ที่เดินจงกรมอยู่นั้นว่า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 โดยวันเล็กน้อยกระผมไม่ยืนไม่นั่งนานแม้ในที่ไหนๆมาสิ้นระยะทางร้อยยี่สิบโยต์พออ่านะพอเฝ้าพระศา ส, าสดาแล้วจักพักผ่อนก็คือเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก่อนแนละ้วค่อยพักนะเรื่องพักจองยกไว้ก่อนนะเอาธุระที่มาให้มําสำเร็จก่อนก็นเลยรีบด่วนเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รุ่งโรดด้วยพุทธสิริหาที่เปรียบปานไม่ได้นะ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 พอบอกที่โน่นเขาแจกขาเทียมเนี่ยโอ้รีบเสนอตัวไปเลยนะเนะีเหมือนคนขัดสนปรารถนาทรัพย์เนี่ยนะเหมือนคนตกงานมานานเนี่ยได้ข่าวว่ามีสมัครงานใช่รีบไปเลยยังไงเหมือนคนเดินทางกันดารเนี่ยนะนะมีแต่โจรมีแต่ปล้นมีแต่อดอยากมีแต่ความทุกข์ยากก็ปรารถนาที่อันปลอดภัยเหมือนคนถูกโรบครอบงำปรารถนาความไม่มีโรคนะปวดหัวเต็มทีนี่อยากหายไหมอยากนะ เหมือนคนถูกเรืออับปางในมหาสมุทรปราถนาแพใหญ่เะนั้นถ้าเรือล่มไปคิดถึงแพเลยใช่ไหมอยากได้ข้ามออกไปตะมาณูปโปได้แก่ผู้มีอาการรีบด่วนหรือผู้มีการสงเคราะห์อันน่าสรรเสริญหต้องการเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเลยพอไปเห็นก็สมใจสมใจเลยใช่ไหมเป็นยังไงพระพุทธเจ้า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 ห่าง 2, กันสองพันกว่าปีแล้วนะจากครูวิญญาณอันนั้นไม่เกิดแน่ที่จะได้อะไรนะเห็นรูปประกายที่งดงามขนาดนั้นนะแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เถอะอีกไม่กี่พันล้านปีหรอกนะมหาปุริสลักษณะ32สองก็ไปดูนะในลักขณะสูตรเป็นต้นเนี่ยกล่าวถึงพระสรีระแต่ละอย่างแต่ละอย่างของพระองค์เนี่ยว่ามีความงดงามเพียงใด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 เกิดกัชื่อตามคุณสมบัตินะชื่อตามคุณธรรมบทว่าสันติินตรียังได้แก่มีอินรีห้าสงบนะมีอินทรีห้าสงบประงับใช่ไหมเพราะปราศจากความหวั่นไหวในอินรีห้ามีจกักขุนซเป็นต้นไม่ใช่ภายใน3นาทีเนี่ยตานี่กลิ้งเกลือกไปตั้ง7ดรอบไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมสายตาก็ไม่ใช่กลิ้งเกลือกแบบอะไรนะแบบตาล็อกเล็กล็อกเลกล็อกเ ล, ก, ล, ก, ลกไม่ใช่แบบ น, นั้นหูก็ไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวาฟังโน่นฟังนี่เป็นต้นเนี่ย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 แปลว่าประสงค์จะนึกอะไรก็นึกได้หมดเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องกลางกั้นสำหรับท่านอันนั้นเขาเรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยะเนี่ยนะถ้าฤทธิ์ของปุถุชนก็คือการเหาะเป็นต้นเนี่ยนะแต่แต่นี้เน้นที่อริยฤทธิ์เนี่ยนะบทว่านาคังนาคเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นคำว่านาคคืออะไรคือการไม่บรรลุอำนาจฉันทาคติเป็นต้นคือ อคติบางท่านแปลว่าลำเอียงเนี่ยนะไม่ลำเอียงด้วยความชอบไม่ลำเอียงด้วยความโกรธไม่ลำเอียงด้วยความหลงไม่ลำเอียงด้วยความกลัวไม่รู้อำนาจอคติทั้งหลายคือไม่เป็นไปโคตรนะว่านี้พวกของเราไอ้นี่ศัตรูเราเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่มีไม่มีเอ็นเอียงไปแบบนั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐหรือนาคหมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้นที่ละได้แล้วเนี่ยไม่กลับเกิดอีกคือไม่หวนกลับมา กิเลสที่เป็นอันสิ้นแล้วเป็นอันสิ้นเลยไม่มีย้อนกลับไปกลับมาอีกไม่เหมือนกับปุถุชนทั้งหลายใช่ไหมโอ้เสียใจคิดจนสบายใจนะได้เหตุไม่สบายใจอีกแล้วอย่างโกรธในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก้ปัญหาจนเลิกโกรธเอาไปเอามาโกรธต่ออีกองแต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไม่หวนกลับไปหาราคะโทสะโมหะอีกต่อไปและชื่อว่านาเพราะอะไรเพราะบาปแม้อะไรก็ไม่ทา ไม่ทำบาปแม้โดยประการทั้งปวงไม่มีเหตุผลจนสมควรต้องทำบาปไม่มีไม่มีเหตุผลจนต้องคิดเป็นอกุศลไม่มีสรุปว่าไม่มีเหตุผลที่จะคิดเป็นอกุศลพูดเป็นอกุศลทำอะไรด้วยบาปอากุศลไม่มีเลยสำหรับนาคคือผู้ประเสริฐที่เป็นพระอารหันต์เนี่ยนะและนาคคือไม่ไปสู่พบใหม่ะนะเคยเห็นพระพุทธเจ้าไปปรากฏตัวที่พบอื่นไหมสมมติว่าตอนนี้นะพระองค์อยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนนะก็รูปประขันก็อยู่ตามเจดีต่างๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไม่มีไม่มีส่วนเหลืออธิบายทบทวนอีกนิดหนึ่งะนะอีกในหนึ่งบอกว่าปาสาที่กลางนี้ในอธิการนี้ท่านแสดงถึงความสำคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยรูปประกาย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 เพราะเหตุนั้นเพิ่งทราบว่าท่านประกาศความสำคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่เหล่าสัตว์โดยสิ้นเชิงในโลกสันนิวาตที่เลื่อมใสหรือถือเอาประมาณเนี่ยสี่จำพวกโลกนี้เนี่ยนะมีบางคนเนี่ยถือรูปเป็นประมาณจริงๆนะบางพวกนี่เห็นรูปนะจึงเลื่อมใสบางพวกนี่ต้องต้องมีชื่อเสียงจึงเลื่อมใสบางพวกนต้องเศร้าหมองจริงๆจึงจะเลื่อมใสบางพวกเลื่อมใสในธรรมอย่างเดียว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 สรีระธาตุเนี่ยเป็นเม็ดๆอยู่นั่งข้างหลังข้างหลังโยมนั่นนะดูเหอะเสร็จแล้วสรีระกายอ่เมื่อไหร่ก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ดีใจมากวันนานจริงหนอเนี่ยเราจรึงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดถึงถ้าเราเห็นเราก็ปีติเหมือนกันเนาะท่านก็มีสรีระอันประกอบไปด้วยปีติหประการเนี่ยนะคุตกาปีติอุเพงคาปติพรณนาปีติเป็นต้นเนี่ยครอบงำตลอดเวลา ดวงตาก็นิ่งเพราะปีติทราบซ่านน้อมสรีระลงตั้งแต่ที่ที่ได้เห็นแล้วพอเห็นปั๊บก้มลงกราบเลยนะค่อยๆไปก็ย่างลงสู่ท่ามกลางรัศมีพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจมลงในพระรัสมีนั้นคือรัศมีนี่สั้นออกจากตัวประมาณวาลหนึ่งนะก็ไปกราบที่เท้าใช่ไหมมันก็จมลงไปในรัศมีเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางครับระดิษฐ์กราบด้วยองค์ห้าแบบที่เรากราบนี่แหละ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 ไปดีนี่ไปยังไงไปแล้วไม่ต้องหวนกลับมาหากิเลสที่พระองค์ประหารแล้วด้วยมรคนั้นนั้นเรียกว่าถ้าไปดีไปด้วยมร์เนี่ยนะถ้าไปอย่างนั้นจริงๆต้องไม่กลับย้อนมาหากิเลสอีกต่อไปดังที่พระองค์ตรัสว่าชื่อว่าพระสุคตเพราะไม่มาอีก <an> ไม่กลับมา <an> ไม่หวน <an> กลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ประหารด้วยโสดาปฏิมร์เช่นว่าโสดาปฏิมร์ของพระองค์เกิดแล้วเนี่ยนะ พระองค์เจริญได้โสดาปฏิมากเกิดไม่กลับมาหาสกายทิฐิวิจิกิจชาศีระพัตตปรามาสอีกเลย <S <S สกะท า, าคามีมักของพระองค์เกิดขึ้นไม่ย้อนกลับมาหากามราคะและปฏิฆะอย่างหยาบอนาคามีมักของพระองค์เกิดแล้วไม่ย้อนกลับมาหาการมราคะและพยาบาทอย่างละเอียดอรหัตตมัคเกิดขึ้นแล้วไม่ย้อนกลับมาหา รูปปราคาอรูปปราคามานะอุทจจะอวิชากิเลส ท, ทุกชนิดไม่ย้อนกลับมาอีกเลยจึงเรียกว่าผู้ไปดี น, นะไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหา อ, อากุศลไม่กลับมาหากิเลสคําว่ากิเลสเนี่ยเป็นชื่อของความเศร้าหมองอ่ะ น, นะเรียก ว, ว่าไปแล้วไม่มีคําว่ากลับมาเศร้าหมองอีกนะมันคุณหมองใจเป็นต้นไม่เหมือนของพวกเราทั้งหลายนะพูดไปเสร็จแล้วก็มานั่งเศร้าใจวันหลังพูดทําไมอ่ะนะไปทําอะไรสักอย่างเสร็จแล้วมานั่งเครียดวันหลังเราทําไปทําไม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 เพราะเสด็จไปคือดำเนินไปด้วยดีด้วยสัมมาปฏิบัติแม้ในการกำหนดทั้งสามอย่างอนนะตีสุปิอวัฏถ า, าสุเนี่ยนะหมายความว่าไปเพื่อประโยชน์สามประการเนี่ยนะจริงอยู่ชื่อว่าสุคตเพราะเสด็จไปโดยชอบแม้ด้วยอาการอย่างนี้ว่าพระองค์ทรงบรรลุที่สุดยาตถะจริยาถึงที่สุดโล ก, กัตถจริยาถึงที่สุด พุท ธ, ธจรยาอาวัธสุเนี่ยนะอวัธอถาสุเนี่ยที่บอกกำหนดทั้ง3อย่างนี่หมายถึงจรยา3พระองค์นี้ไปจนถึงที่สุด3ประการคือยาตตถจรยาโลกตะจรยาพุทธตะจรยายาตตะจรยาเนี่ยคือการประพฤติเพื่อสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ในด้านการสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะสงเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆโลกตถจรยาสงเคราะห์แก่สัตว์โลก ก็สงเคราะห์ อ, อย่างเต็มที่ถึงที่สุดเลยแหละพุทธะจริยาข้อปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติข้อปฏิบัตินั้นพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์นั้นการปฏิบัติทั้งสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกสงเคราะห์แก่ความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทํากิจเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วกว่าจะได้ทําคุณธรรมเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็เพราะพระบารมี30สบทุวน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 ทีนี้การสมาทานท่านก็ประพฤติอย่างจริงจังตราบเท่าถึงมหาโพธิมณฑลมณฑลนี่แปลว่าอะไรนะโดยรอบในชะ่มนณฑลแห่งต้นโพก็คือรอบบริเวณต้นโพสิ่งที่พระองค์ทำนับตั้งแต่แทเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนดําเนินมาถึงเดินขึ้นสู่ลานโพธิมณฑลเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์ทำนี่เฉพาะหิตะสุขะแก่โลกทั้งปวง หิตะเนี่ยนะหิตะหิตายาสุขายาเนี่ยหิตะนี่เป็นชื่อของสิ่งใดที่เกื้อกูลนะอัธายะจะหิตายะจะสุขายะจะเ น, นี่ยนะอัถายะจะอัฐะก็คือประโยชน์เนี่ยนะหิตะก็คือเกื้อกูลสุขสิ่งที่เกื้อกูลก็คืออริยมรรสสิ่งที่เป็นสุขก็คืออริยผลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อมรรสเพื่อผลแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่ แทบเท้าพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรเมื่อสี่อสงไขยแสนกับตราบเท่าถึงต้นโพอันนี้เพื่อมัดผลแก่สัตว์อื่นจริงๆถามว่าทำไมเพราะถ้าพระองค์ประสงค์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็บรรลุที่แทบเท้าพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรแล้วแต่สละอรหัน ต, ตผลแค่เอื้อมอ น, นันออกไปเนี่ยนะยอมทนทุกทรมานอยู่ในวัฏฏะอีกสี่อสงไขยแสนกับเพื่อให้สัตว์อื่นได้บรรลุ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 อย่าหย่อนเกินไปสิเอาให้มันพอดีพอดีพอดีแปลว่าอะไรแปลว่าถูกใจนะถ้าทําแล้วถูกใจนั่นแหละเรียกว่าพอดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบอกท่านจะรักษาศีลเข่งไปทำไมบางคนอันนั้นก็หย่อนไปเอาให้พอดีพอดีสิทำงน้นไม่รู้ อ, อะไรเป็นเครื่องวัดสรุปว่าเอาใจข้าพเจ้าเป็นเครื่องวัดใช่ไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หมายถึงเอาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะ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 มัชฌิมาปฏิปทาอันนี้ก็คือโพชงคภวนาโพ ธ, ธ, ธิอังคภาวนาหมายาว่าการเจริญองคุณหรือองค์แห่งธรรมะที่ทำให้ตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่คล้องแวะส่วนสุดข้อปฏิบัติที่ทตรงจริงๆนะนะไม่ไม่ติดสัสตตทิฏฐิไม่ติดอุเฉท ท, ทิฏฐิไม่ติดการมสุ ข, ขลิกานุโยกไม่พัวพันกับอัตตากิรมะถานุโยก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 แล้วการดําเนินการปฏิบัติของพระองค์ก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่แวสัสตติทิอุเชท ท, ท, ท, ทิทิไม่ข้องแวะข้อปฏิบัติที่เป็นการมศคาริการุโยคอัตากิรมัทธนุโยปฏิบัติด้วยมักมีองแปดจนสามารถตรัสรูุ้อริยสัจอันนี้ความหมายคำว่าสุขคดเนี่ยไปแบบนี้ไปดีจริงๆเนี่ยนะไปแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ได้หาประมาณไม่ได้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 แสดงออกไปเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสุคต์นั้นคําว่าสุคตเนี่ยพูดถูกต้องแล้วก็ใช้คําพูดที่ถูกต้องพูดในเวลาที่ถูกต้องนนแสดงว่าพูดคําพูดที่ถูกนี่ต้องพูดในเวลาที่ที่ถูกด้วยคําพูดถูกแต่พูดผิดเวลานนก็ถูกด่ากลับมาไงนนเพราะว่าไม่ไม่เลือกเวลาใช่เคยเคยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงแต่พูดผิดเวลาไปหน่อยก็เลยโดนกลับมา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 ก็เนี่ยช่วงสงการนี่ไงแหละสมควรนะสมจริงดังพระดํารัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราตถาคตนี่เป็นกาลวาทีกาลวาทีนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าพูดถูกการกาลวาทีนี่พูดถูกการภูตวาทีต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงภูตวาทีนะภูตะตัวนั้นแปลว่าความจริงอัถวาทีพูดตามอัถฐ หมายคําว่าพูดถูกอัถฐเนื้อหาน่สมบูรณ์จริงๆธรรมวาทีพูดตามธรรมอัฏฐนี้แปลว่าผลก็ได้พูดถูกผลธรรมวาทีพูดถูกเหตุวิเนยวาทีพูดตามสังวรวินยัยพูดตามปหาณวินยัยสติวินยัยขันติวินยัยเป็นต้นเนยนะคือผููตามสังวรวินยัยปหาณวินยัยเป็นต้นพูดวาจาที่มีหลักฐานคําว่าหลักฐานก็คือเป็นคําพูดที่อ้างได้มีที่มาที่ไป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 องไม่ตรัสแน่นอนก็ดูในอะไรนะอภัยราชกุมารสูตรที่พระองค์การแสดงถึงวาจาของพระองค์ะนะเดี๋ยวทํามาพูดตรงนี้หมดเดี๋ยวถ้าจะหมดเวลาสักก่อนนะต่อไปเลยดีกว่าชื่อว่าสุคตเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะตรัสคือพูดชอบพูดถูกต้องจริงๆเลยจึงชื่อว่าสุคตทีนี้พระพูดพระสุคตนี่ไปยังไงมายังไง ก็มาจากคำว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นการลนานเถิดก็เลยบอกว่าบทว่ายังมมัสสทีคารตังหิตายสุขายะความว่าการแสดงอ้างถึงทำใดไม่ใช่กรรมนะถึงทำใด พึงเป็นไปเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ฌานวิโมกเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความสุขที่จะพึงบรรลุฌานวิโมกมรักผลเป็นต้นนั้นน่ะแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานได้โปรดเถอะแสดงธรรมเพื่อให้ข้าพระองค์ได้บรรลุเลยแบบนั้นทีนี้พระองค์ตอบว่าอย่างไงในข้อ49หน้า126พระองค์เมื่อพระพะยะกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภาหิยะเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเรายังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินทบาทอยู่แปลว่าตอนนี้เวลาบินทบาทไม่ใช่เวลาแสดงคำแม้ครั้งที่สองพาหิยะธารุจิริยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดี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 ไม่รู้ว่าพระองค์ตายเมื่อไหร่ข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่โปรดแสดงธรรมเถอะได้เวลาแลว้วเหมือนกันพระองค์ก็ห้ามครั้งที่สองก็ขออีกค ร, ครั้งที่สครั้งที่สมพาหิยะคาริยะก็ได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากแล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 คำว่าไม่ใช่การเนี่ยหมายคือว่าตอนนั้นอินทรีย์ของ พ, พระพาหิยะนี่ยังไม่แก่กล้าพอที่จะฟังแล้วบรรลุร่างกายของพราหยะก็กระสับกระส่ายอยู่เพราะว่าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมสภาพจิตก็ถูกปีติเป็นต้นครอบงําแปลว่ายังจิตใจไม่ยังไม่ปกติดีเท่าไหร่เนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่เวลาแต่ว่าห้ามสามครั้งนี่ได้เวลาเลยเหมือนกันแต่ท่านก็อ้างดีนะในหน้าหนึ่งี่สิท่านบอกว่า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 เหตุทำให้ตายเนี่ยอะไรบ้างหายใจยังตายเลยนะกลัวกันหน้าดูเลยกลัวหายใจรดกันแล้วจะตายเนี่นะผลเหตุที่ปัจจัยแห่งความตายมันเยอะอย่างนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าอัจเชวะกิจมาตพังโกนชัญญามรนังสุเวนาหิโนสังคัรเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความพึงรีบทําความเพียรในวันนี้แหละก็คือรีบเจริญสัมมาประธานสี่ตอนนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่ง นะโดยว่าพรุ่งนี้จะมาฟังครบถ้วนหรือเปล่านะเพราะว่าความพัดเพี้ยนด้วยมรรตยูคือความตายที่มีบริวารแห่งความตายมากย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอาอะไรมามาอ้างว่าเราจะไม่ตายเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นสถานที่เราตายหมดเลยเขาบอกว่าวถ้ายุมากๆแล้วที่ไหนคือแดนประหารรู้ไหมห้องน้ําเนี่ยนะนนะระวังให้ดีนะห้องน้ํายังเป็นแดนประหารเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงที่อื่นเนี่ยนะ บนถนนเป็นต้นเนี่ยก็ที่ไหนที่สัตว์ไม่ตายบ้างนี่สงกรานนี้ตายไปเท่าไหร่แล้วนั่นไงก็ตัว่าเท่าปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วห้ารอยกว่าใช่ไหมปีนี้ก็เป็นร้อยไปแล้วอะ่ะกว่าจะครบสามสี่วันเนี่ยแต่ว่าตอนที่ฟังทำนี่เราปลอดภัยแน่นอนนะตอนเลิกไม่แน่แล้วไปเจอขี้เมาเข้าออลําบากใจแน่เพราะว่าจะต้องระวังเหมือนกันนั่นไง คือไอเราเนี่ยระวังตัวเองเนี่เป็นเรื่องที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคนพานทั้งหลายคนเมาทั้งหลายเราก็ต้องระวังภายนอกด้วยระวังภายนอกระวังภายในนี่นแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องระวังใจด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยไอโรคกิเลสนี่มันติดเชื้อ ง, ง่ายกว่าโรคอื่นเยอะเนี่ยนะเห็นเขาโกรธเราก็แบ่งเข้ามาโกรธบ้างเห็นเขาไม่พอใจเอามั่งเอามั่งเป็นต้นพระน่ะไอโรคคือกิเลสนี่มันก็ติดแทรกกันง่าย สรุปว่าอันตรายแห่งชีวิตเนี่ยก็รู้ได้ยาก น, นะอันตรายของชีวิตนี่มีมากเหลือเกินตัดใจแห่งชีวิตที่จะให้ดำเนินไปได้นี่ก็เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์แสดงธรรมให้สงเคราะห์ข่าพระองค์เถอเหตุผลที่บอกว่า ท่านเนี่ยปรารถนาจะฟังอ้างเหตุผลเนี่ยนะน้อยคนมากเลยนะบอกนิมนท่านแสดงธรรมเถอะไม่รู้ว่าท่านจะตายเมื่อไหร่อ่างนั้นถ้าท่านตายผมอดฟังเนี่ยนะคำพูดประเภทนี้มีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะเท่าที่อ่านในพระไตรปิฎกที่กล้าบอกพระองค์ก็ไม่แน่อ่บอกว่าข้าพระองค์ก็ไม่แน่พระองค์ก็ไม่แน่นิมนแสดงธรรมเถิดมีคนเนี่ยคนเดียวนะเพราะอะไรเพราะท่านถูกอุปนิสัยสมบัติตักเตือนแล้วและขณะเดียวกันชีวิตของท่านอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นท่านก็ตายนะนะ แล้วท่านเนี่ยเป็นผู้มีชาติสุดท้ายถ้าไม่บรรลุก็ไม่ตายอีกเหมือนกันต้องบรรลุก่อน น, นะก็เลยเตือนพระพุทธเจ้าบอกข้าพระองค์นี้ไม่แน่แล้วนะนเหมนนถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะแสดงธรรมแก่ท่านนั่นแหละจึงห้ามไว้ถึงสองครั้งได้ยินว่าพระองค์มีพระดำริอย่างนี้ว่าตั้งแต่เวลาที่พายะนี้เห็นเรา สรีระทั้งสิน้นอันปีติถูกต้องไม่ขาระยะกำลังปีติมีความรุนแรงแม้จากฟังธรรมก็ไม่สามารถแทงตลอดได้จึงห้ามเอาไว้ น, นะเพราะว่าโผปีติมีกาลังมากะนะมัวแต่ปีติก็ลืมฟังธรรมไปเลยอย่างเงี้ยตราบเท่าที่มัชตุเปกขาดำรงอยู่ก่อนเรียกว่าให้ตัตระมัชตาตาทำงานมากๆก่อนนะนะ แม้ความกังวนกวายทางร่างกายของท่านก็ยังมีกําลังเพราะท่านเดินทางมาตลอดระยะทาง120โยชนะก็คิดดูนะสาวัตถีอยู่ใกล้ทะเลที่ไหนห่างจากทะเลเท่าไหร่แล้วท่านเดินทางจากชายทะเลมาถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยไกลมากนะของเรานั่งรถไฟยังเพลียเลยนะเคยนั่งรถไฟจากกรกุงัตตามาแค่แค่แถวแถวพุทธคยา ย, ยังเพลียเลยถ้านั่งถ้านั่งรถรถไฟเนี่ยนะจากกรกุงัตตามาถึงแถวแถวเมืองสาวัตถีเนี่ยจะไกลขนาดไหนนะ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 ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว in nah ่าศึกษาคืออะไรสิกขาสามท่านพึงม like ีสิกขาสามไว้อย่างนี้ว่าแปลดำอัถะเลยนะท่านพึงมีสิกขาสามไว้อย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งอันนี้ก็คือทวารหกย่อมาเหลือสใช่ไหม เห็นก็คือทวารตาฟังก็คือทวารหูทรากก็คือจมูกลิ้นและกายรู้แจ้งก็คือทวารใจดูก่รพไหยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหลในหนังสือนี้ก็แปลว่าสักว่าใช่ไหมแต่อัตกถาบอกว่ามัตตะแปลว่าประมาณเพราะฉะนั้นทิฏเตทิธรรมตังพวิสติเนี่ยนะแปลว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นก็บอกเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นไงไปขับรถดูนะถ้าเจริญอย่างนี้มากๆเดือดร้อนแน่ เห็นศักแต่ว่าเห็นก็ไม่ต้องเบรกอะไรสักอย่างนะเดินข้ามถนนก็เห็นศัก์แต่ว่าเห็นก็เดินข้ามไปเพราะฉะนั้น <way> คว่าเห็นในที่นี้หมายความว่าจักเป็นประมาณนนะดูก่อนพาหยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจง้งจักเป็นประมาณว่ารู้แจง้ง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 ฟังก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าพราะองค์พูดอะไรกันแน่เนี่ยนะแต่พระพาหิยะนี้บรรลุไปแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าท่านบรรลุอะไรอีกเหมือนกันแต่รู้ว่านี่ท่านไม่มีอาสวะเหลือแล้วเนี่ยนะลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพาหิยะทารุจิริยะกุลบุตรด้วยโอวาทโดยย่อนี้แล้วก็เสด็จีกไปนี่มาดูเนื้อหาก่อนนะคำอธิบายก่อนในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดย่อหน้า ตัสมาแต่บบเพราะเหตุนั้นเนี่ยนะตสมาติหะเตดังนี้เนี่ยนะบอกว่าตสมาเพราะเหตุนั้นอะ่ะเหตุไหนล่ะเหตุเพราะท่านเป็นผู้เกิดความขวนขวายอ้อนวอนเราอย่างยิ่งโอ้ยขอร้องเราเหลือเกินเหตุที่หนึ่งนะเหตุที่สองก็เพราะท่านนี้กล่าวว่าอันตรายของชีวิตรู้ได้ยากและและก็คือเหตุที่สมตอนนี้อินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าแล้วแปลว่าแบ่งด้วยเหตุผลสาประการนี่แหละเลยแสดงคํา เหตุผลแรกอ่อนวนเหลือเกินเหตุผลที่สองอ้างว่าชีวิตมันไม่แน่รู้ได้ยากเหตุที่สามอินทรีแก่กล้าแล้วอ่นะเอวังเตศคิทพังเ น, นี่ยนะบอกว่าเน้นที่สิคิทพังแปลว่าศิคิทพังแปลว่าพึงทำการศึกษาโดยศิขาแม้ทั้งสามมีอที่ศีลและศิขาเป็นต้นมันตัวข้อปฏิบัติมรค8อ่านะ ก็คือสิกขาสามใช่ไหมสิกขาสามก็คือมรรคแดมรรคแดก็คือสิกขาสมปฏิบัติแล้วบรรลุยังไงมันก็ทิ้งมรรคแปไม่ได้อย่างไรก็ทิ้งสิกขาสามไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาโดยสิกขาทั้งสาคืออธิศีลสิกขาที่จิตแตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาปัญหาว่าเออสินคืออะไรอธิจิตคืออะไรที่ปัญญาคืออะไรถ้าอย่างนี้เรื่องยาวเลยเรไปอ่านมิสุทธิมรรคไปเถอะเหมือนกัน แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอาการที่จะเพื่อศึกษาเนี่ยให้ศึกษาสิกขาสามที่ไหนล่ะทิเทธธรมตังพวิสติเมื่อเห็นก็จะเป็นประมาณว่าเห็นนะเพราะมัตตาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายมัตตาแปลว่าประมาณแปลว่าประมาณบทว่าทิเทธธรมะตังได้แก่เมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นปกตินี่การเห็นเนี่ยอะไรเห็น อาศัยจักรครูและรูปเกิดจักรคูวิญญาณจักรครูวิญญาณเป็นสิ่งที่เห็นสีจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นมีเจตสิกกี่ดวงเจ็ดดวงอะไรบ้างภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตาชีวิตตินทรี์และมนสิยการเนี่ยนะอธิบายว่าเธอพึงศึกษาว่าศึกษาคืออะไรก็คือสิกขาสามใช่ไหมยังไงนะอย่าทิ้งสิกขาสามเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าทิ้งสิกขาสามนี่จบหมดเลย มันเห็นจักแต่ว่าเห็นก็นั่งทำตาปริบๆหมดวันเปล่ า, เ, ล า, เ, ลานเนี่ยนะเปลืองน้ำตาไปเยอะแยะไปหมดไม่ได้อะไรเธอพึงศึกษาว่าจักคูวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเท่านั้นเห็นซึ่งสีในรูปประคันเท่านั้นหาเห็นสภาพลักษณะมียนิจาลักษณะเป็นต้นไม่ฉันใดจักคูวิญญาณเนี่ยนะเห็นแต่สีและก็มีอารมณ์อย่างเดียวด้วยเอกราตารมณะมีอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้น รู้อย่างอื่นมากก็ไม่ได้จะคู่วิญญาณรู้แต่สีนะสัมปติชเวทนาก็รู้แต่สีเป็นต้นเนี่ยนะแม้จกคู่ทวาริกะวิญญาณที่เหลือจะเป็นเพียงอันเราเห็นแล้วทำยังไงล่ะให้พอจะคู่วิญญาณเกิดขึ้นอะไรเกิดต่อสัมปติช น, นะสันติระาโวทะพนาชาวนาะดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและตธารรมะเกิดขึ้น เขเรียกว่าวิญญาณที่เป็นไปทางจักขคูทวานพันธ์วิญญาณที่เป็นไปในทางจักขคูทวานเนี่ยนะก็ให้เห็นเป็นไปตามที่จักรคูวิญญาณเกิดขึ้นเอมเป็นยังไงอา้าวจักรคูวิญญาณเห็นอย่างไรจักรคูทวานวิถีจิตมันก็มีสีเป็นอารมณ์อยู่แล้วมันจะไปเปลี่ยนได้ที่ไหนอใช่ไหมจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าค่อยฟังคําอธิบายของท่านเดี๋ยวจะรู้เองอธิบายว่า การรู้แจ้งซึ่งรูปในรูปประคันด้วยจกักรคูวิญญาณชื่อว่าเห็นรูปในรูปที่เห็นมัตตาแปลว่าประมาณประมาณแห่งรูปที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐมะตะัตตาอธิบายว่าจิตเป็นเพียงจกักรคูวิญญาณเป็นประมาณเท่านั้นแปลเป็นภาษาไทายไทยว่าให้เอาจากักรคูวิญญาณเป็นอาจารย์ให้ถือเอาข้อปฏิบัติคือจกักรคูวิญญาณเป็นหลักทําไมล่ะทําไมทำไม ทำไมจึงยกเอาจักคูวิญญาณเป็นตัวตั้งเป็นเป็นมาตรฐานเพราะจักคูวิญญาณไม่มีความกำหนัดจักคูวิญญาณไม่เกิดร่วมกับราคะนะจักคูวิญญาณเนี่ยไม่กำหนัดจักคูวิญญาณไม่ขัดเคืองจักคูวิญญาณไม่ลุ่มหลงในรูปที่ปรากฏเพราะจักรคูวิญญาณเห็นสีนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะอะไรเพราะโลภโกรธหลงไม่ได้เกิดร่วมกับจักูวิญญาณ เพราะฉะนั้นให้ถือเอามาตรฐานเหมือนจากขู่วิญญาณฉันใดเนี่ยนะเราจะตั้งชาวนะจิตไว้โดยประมาณแห่งจากขู่วิญญาณอย่างนี้ว่าชาวนะจิตของเราเนี่ยจะเป็นประมาณด้วยจากจเป็นประมาณให้เหมือนจากขู่วิญญาณแต่ปกตินี่ใครทำให้ชาวนะจิตเนี่ยมีเจตสิกเกิดเท่าจากขู่วิญญาณได้ไหมในโลกที่เป็นจริงทำได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมให้เอาจากขูวิญญาณเป็นประมาณ เพราะจากขูวิญญาณไม่มีราคะโทสะโมหะทำยังไงก็ได้ให้ชาวนะไม่มีราคะโทสะและโมหะอ น, นั่นคือข้อปฏิบัติเพราะข้อปฏิบัติไม่ใช่จากขูวิญญาณมรรคแนี้ไม่ได้เจริญจากขูวิญญาณใช่ไหมถ้าถือการอถือข้อปฏิบัติด้วยจากขูวิญญาณนั่นคือศาสนาเดรธีในมหานิเนธนี้อธิบายไว้ชัดเลยที่ที่พระองค์กล่าวถึงจันทาพระพราหมณ์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 แต่ตรงนี้เนี่ยหมายถึว่าชาวนะทำยังไงให้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเท่ากับจกักขุวิญญาณ <c oughs> ตรงกันข้ามกับราคะคืออะไรสมรถะตรงกันข้ามกับโทสะคือศีลตรงกันข้ามกับโมหะคือปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องมีศีลสมาธิและปัญญาเนี่แหละจึงจะหักห้ามราคะโทสะและโมหะได้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 สรุปว่าชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อได้ยินชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อทราบทางจมูกลิ้นกายาาราคะโทสะโมหะจะต้องไม่เกิดเมื่อคิดถึงทุกอารมณ์เหมืนนเ่ยเพราะฉะนั้นมุตตะนี่หมายถึงสีออขออภัยมุตตะหมายถึงกลิ่นรสและโทภทะพายตนะ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 ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกัน น, น, นะชวนาให้ถือเอาคานะวิญญาณชีวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรนะโวธัพนะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอาจารย์เนี่ยนะเป็นประมาณส่วนมโนทวารเนี่ยขึ้นต้นด้วยอาวัชนะก่อนอาวัชนะนี่มีเจตสิกประกอบ10ดวงสิบดวงก็คืออัญญะอะไรนะสัพพจิตตาสาธารณาเจตสิกเจวิตกวิจารณ์และอะไรและอธิโมก มีอยู่สามดวงนะก็บวกเจ็ดเป็นสิบมโนทวาราวชนะมีเจตสิกสิบดวงเนี่ยนะไม่มีราคาโทสะโมหะเกิดเลยชวนะที่เกิดต่อจากอาวัชนะนั้นอนะ่ะจะต้องไม่มีกิเลสเหมือนกันทํำยังไงอ่ะให้ชาวนะไม่เป็นไปกับกิเลสก็ต้องเป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาราคะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเจริญสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราคะโทสะเกิดขึ้นต้องเจริญสิ่งที่เป็นศัตรูต่อโทสะ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 เราจากพักชวนะจิตเป็นประมาณแห่งอาวชนะจิตเท่านั้นคือไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้วยอํานาจความกําหนัดความขัดเคืองและความลุ่มหลง น, นะไม่ยอมให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในชวนะเอาอะไรมาห้ามนาะเนี่ยนะเอาอะไรมาห้ามใจใจเอ้ยอย่าชอบเลยนะอย่างนี้หรือเปล่าพอไหมอย่ากโกรธซิอย่ากโกรธซิเขาจะเลวบ้างก็ช่างเขาเธออย่างนี้นะทำไมเธองโง่อย่างนี้เธอฉลาดหน่อยซิอย่างนี้บอกกันดูเรื่องได้ไหม ดูท่าจะยาก น, นะแต่เนี่ยพระพาหิยะฟังและเข้าใจเลยเอวันหิเตพาหิยะสิกิตพ ah ัง ah ความว่าพาหิยะเธอพึงศึกษาโดยคล้อยตามสิกขาทั้งสามด้วยปฏิปทาอย่างนี้พระพาิยะเนี่ยเข้าใจทันทีเลยว่าเจริญมรรคดในทวาร6ได้อย่างไร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 ธรรมารมณ์พร้อมทั้งวิญญาณ6คือจักขูวิญญาณโสตาขานาะชิวหากายะและมโนวิญญาณแสดงอันนะหมาย่อเหลือเหลือเท่าไรเหลือสีอันนะหนี้ย่อมาเหลือสคือย่อย่ออะไรย่อจมูกลิ้นกายให้เหลือหนึ่งอันนะทะวารตาหนึ่งทวารหูหนึ่งทวารจมูกลิ้นกายนับหนึ่งทวารใจอีกหนึ่งก็เหลือสี่เรียกว่าโกฏาสะแปลว่า4ส่วน มีทิเทธธรรมทิเทธธรมะตังเป็นต้นเจริญได้อย่างนี้เนี่ยนะเจริญอย่างย่อตามอัธยาศัยของพระพาหยะเพรา ะ, ะแสดงวิปัสนาภูมิเหลือแค่สทวาสี่สี่ส่วนแล้วก็แสดงยาตะปริญญาและตีรณปริญญาในข้อนั้นแก่เธอเจะทําปริญญาอย่างไรปริญญานี้แปลว่ารอบรู้นะปริญญานี้รอบรู้ยาตะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว ยาตะปริญญาคือรอบรู้ในสิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือสิ่งที่มีอยู่นี่แหละตีระเน่ตีรณะรณะปริญญาก็คือรอบรู้โดยการเข้าไปใค้ครวนถามว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้รูปารม์เป็นอันชื่อว่าทิฏฐะเพราะอัตถาว่าอันจกักขูวิญญาณพึงเห็นส่วนจกักขูวิญญาณพร้อมด้วยวิญญาณที่เป็นไปทางจากักขูทวารชื่อว่าทิฏฐะเพราะอัตถาว่าเห็น คําว่าเห็นเนี่ยรวมทั้งสีและจักรคูวิญญาณที่ไปเห็นสีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเพียงธรรมะที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นสีก็เกิดจากปัใจจัยใช่ไหมจักรคูวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เปเกิดจากปัจจัยข้อนี้ใครๆจะทําเองหรือให้ผู้อื่นทํำก็หาได้ไหมใครสร้างสีได้บ้างใครสร้างจักรคูวิญญาณได้บ้างสีก็เกิดจากปัจจัยของสีจักรคูวิญญาณก็เกิดจากปัจจัย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 จักรูวิญญาณเป็นต้นชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดและความดับบีบคั้นไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงจักรูวิญญาณชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอัตถาว่าไม่เป็นไปในอำนาจใครมีอำนาจในจักรูวิญญาณได้ไหมไม่ได้ในข้อนั้นจะจัดเป็นโอกาสของกิเลสมีความมีราคาเป็นต้นแห่งบัณฑิตได้จากที่ไหนคือถ้าเห็นว่า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 เธอไม่จะไม่มีราคะโทสะและโมหะเธอจะเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองหรือลุ่มหลงหรือจะไม่เป็นผู้เนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นเพราะละราคะเป็นต้นได้แล้วอันท่าทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะ่ะเห็นก็เจริญปริญญาสามเนี่ยนะถ้าเห็นตามนั้นได้คล้อยตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดได้เนี่ยราคะละได้แน่นี่ต่อไปก็ประกาศอริยมรรคว่าในการนั้นท่านย่อมไม่มี